เรื่องดีๆเกิดให้ชื่นใจมากขึ้นเท่าไรใจคุณยิ่งเหลือพื้นที่ให้คิดแย่ๆน้อยลงเท่านั้นเริ่มคิดไม่ดียังไม่ผิดไม่หาเรื่องดีมาคิดแทนนั่นละถึงเริ่มผิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตมีธรรมชาติไหลลงต่ำเหมือนกับสายน้ำโลกนี้ไม่ปล่อยให้คุณสบายใจได้นานนัก แล้วก็ไม่มีสถานที่ที่อยู่แล้วเกิดแต่กุศลจิตได้ตลอดจิตมีแรงดึงดูดจากกิเลสจากสัญชาตญาณดิบให้คิดอะไรที่ไม่ดีไม่งามหรือเป็นไปในทางที่จะเอาเข้าตัวหรือมีโทสะไม่มีทางที่จะทวนกระแสขึ้นสู่ที่สูงได้ยกเว้นแต่มีแรงผลักให้ย้อนคืนกลับไปขึ้นที่สูงตั้งตนที่วิธีคิด ความจริงก็คือจิตวิญญาณของคนเราสว่างหรือมืดได้ด้วยมโนกรรมเป็นหลักในบรรดากรรมทั้งสาคือมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมนั้นมโนกรรมมีอิทธิพลใหญ่ที่สุดรอบงามวจีกรรมและกายกรรมไว้ในตัวถ้าเราตั้งสถัทาไว้ที่พระพุทธเจ้าได้แล้วเอาวิธีคิดของพระองค์มาเป็นวิธีคิดของเราได้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 กรรมทวนกระแสความสบายใจและจิต ท, ที่เป็นกุศลจึงต้องจุดชนวนขึ้นจากข้างในไม่ใช่ข้างนอกคือต้องตั้งใจสร้างไม่ใช่ปล่อยใจรอความตั้งใจที่จะสร้างความสบายใจและทําจิตให้เป็นกุศลนั่นเองคือกรรมทวนกระแสความคิดสว่างที่ง่ายที่สุดก็คืออย่าเบียดเบียนกัน ความคิดที่เป็นทานคิดในทางที่จะไม่เอาเราต้องตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าเราจะต้องเป็นคนที่อยู่ในเขตของการให้ทานรักษาศีลถ้าคุณเป็นพวกมีน้ำใจให้ทรัพย์ยาทานอภัยทานและธรรมทานบ่อยกับทั้งถือศีลหบริสุทธิ์กรบทุกข้อมักมีชีวิตต่างไปจากเดิมสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมกล่าวคือ กรรมชั่วอันเป็นบาปย่อมนำไปสู่สภาพอันเป็นทุกข์กรรมดีอันเป็นบุญย่อมนำมาสู่สภาพอันเป็นสุข